ส้มผู้ใหญ่เขาเรียกประชุมเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะสิหรือว่าจะเป็นเรื่องที่หนาบ้าข้าไปทาอะไรที่ไหนเอาาเ อ, าเอา้มากันครบแล้วจะมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบเรื่องอะไรผู้ใหญ่ก็เรื่องที่สํานักงานสถิติแห่งชาติเขาจะส่งคุณมาดีมาสํารวจเรื่องน้ําที่หมู่บ้านเราไงเรื่องน้ําทำไมต้องสํารวจด้วยใช่สํารวจไปทํำไม่กันก็เพื่อไว้จัดทําโครงการบริหารจัดการน้ําให้ยั่งยืนยังไงล่ะไม่ว่าน้ําดื่มน้ําใช้ปริมาณการใช้น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคจากภาคการเกษตรการผลิตสินค้าและการบริการรวมถึงแหล่ง และปัญหาน้ำท่วมในหมู่บ้านคุณมาดีเขาต้องการข้อมูลความเป็นจริงจากพวกเราทุกๆคนนะมันสําคัญยังไงอะก็เอาไปบริหารจัดการน้ําให้ดีมีคุณภาพต่อเนื่องและยังย่งยืนยังไงล่ะคุณมาดีเนี่ยเขาจะมาสํารวจเมื่อไหร่ดะจ๊ะเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี่แหละและฉันก็อยากให้ทุกคนร่วมใจในการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงกับคุณมาดีด้วยนะได้เลยจ้ะชดจะตอบจากความจริงทั้นัดีมากว่าแต่คุณมาดีเนี่ยหล่อไหมอะจ๊ะผู้ใหญ่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 สวัสดีค่ะวิวฟังคาต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนเตินภัยค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตินภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนํามาฝากกันนะคะเราพบกันในทุทกๆเช้าวันพระหัสส บ, บดีแบบนี้นะคะทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญ บ, บรุรีแล้วก็ที่ทางแฟนเพจ Facebook นะคะวิทยุราชมงคลธัญ บ, บรุรีเช่นเดียวกันค่ะ วันนี้ที่ชันอาทิตยาปกทานังรับหน้าที่ในการดําเนินรายการเริ่มต้นกันนะคะกับเรื่องราวของบัตรพลังงานนะคะแน่นอนค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีเรื่องราวของบัตรพลังงานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็หลายๆหน่วยงานเองก็ออกมาเตือนในเรื่องของอาจจะถูกหลอกให้ใช้บัตรพลังงานแล้วก็อ้างว่าสามารถช่วยในการรักษาได้สารพัดโรคนะคะซึ่งไม่เป็นความจริงเลยค่ะล่าสุดนะคะสํานัก ง, งานปร r l ณูได้เผยแพร่การตรวจบัตรพลังงาน พบค่ารังสีเกิน350เท่าเตือนอันตรายค่ะด้านสสสงขาพักพลังประชารัฐรุดหารือกับดี i เอาผิดเข้าข่ายธรุรกิจแชร์ลูกโซ่นะคะขณะที่ดี i เร่งตรวจสอบค่ะพร้อมประสานพื้นที่ให้ข้อมูลประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะ จากรณีประชาชนในหลายพื้นที่ของหลายจังหวัดนะคะถูกลอกลวงให้ซื้อบัตรพลังงานซึ่งมีการอวดอ้างสรรพคุณรักษาสารพัดโรคใช้แปะร่างกายบริเวณมีอาการปวดเมื่อยคลายาการปวดเมื่อยได้นะคะอีกทั้งนําไปแปะถังน้ํามันแล้วก็มิเตอร์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานได้ซึ่งทางด้านของคุณวิรชัยพุทธวงศ์อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศสาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตราศาสตร์นะคะก็มีการนําบัตรดังกล่าวนี้ค่ะส่งให้กับสํานัก ง, งานป a ม l i a เพื่อสันติภาพ อขอพ่ายค่ะสำนัก ง, งานป a r l i a m e เพื่อสันติตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะสำนัก ง, งานป a r l i a m e เพื่อสันติเองก็มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์พบว่าไม่มีการเปื้อนทางรังสีที่วัสดุห่อหุ้มและพื้นผิวของแผ่นกา๊าซสาหรับกา๊าซตัวอย่างที่สมบูรณ์ไม่แตหกหัก การวัดธาตุองค์ประกอบของแผ่นก๊า์ดด้วยเทคนิคการเรืองรังสี X นะคะหรือ XRF ค่ะพบธาตุยูเรเนียมและทอเรีียมส่วนการวิเคราะห์ไอโซโทปรังสีในแผ่นก๊า์ดด้วยระบบวิเคราะห์แกมมาสเปกโตรสโคปีนะคะก็พบว่านิวคลายกัมมตรังสีของอนุกรมทอเรีียมและยูเรเนียมการวัดค่าระดับรังสีเทียบกับค่ารังสีพื้นหลังพบว่าระดับรังสีของแผ่นก๊์ดสูงกว่าระดับรังสีพื้นหลังนะคะประมาณ200เท่า ทระยะห่างของแผ่นก๊าซหนึซติเมตรค่ะซึ่งระดับรังสีที่วัดได้อยู่ที่ประมาณ40มิลลิวอตต์ต่อชั่วโมงหรือถ้าเทียบเท่านะคะก็เทียบเป็น350เท่าของขีดจํากัดในการได้รับปริมาณรังสีสําหรับประชาชนทั่วไปในรยะเวลาหนปีซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสีพุทธศักราช2561ค่ะนอกจากนี้นะคะการวัดค่ า, ก, ารกระจายตัวของสารกัมมันตรังสีในแผ่นกา๊าซด้วยเทคนิค imaging plate พบว่าสารกัมมันตรังสีนั้นมีการ กระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่นกาดเลยค่ะแล้วก็ถ่ายภาพดูลักษณะาภายในด้วยรังสี X นะคะไม่พบชิ้นส่วนอื่นใดประกอบอยู่ภายในแผ่นกาดค่ะซึ่งหากยูเรเนียมและทอเรีียมที่มาจากแผ่นการ์ดนี้นะคะเข้าสู่ร่างกายก็จะก่อให้เกิดการแผ่รังสีต่ออวัยวะภายในและเกิดอันตรายกับร่างกายนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะสํานัก ง, งานปรมาณูเพื่อสันตินะคะก็มีการเตรียมการวิเคราะห์การปนเปื้อนของวัสดุกัมมันตรงังสีเมื่อนําแผ่นการดแช่ในน้ําในลําดับต่อไปและ ถ้าหากมีข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะก็อาจจะมีการดําเนินคดีกับบริษัทผู้จําหน่ายต่อไปด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ขอแจ้งเตือนประชาชนนะคะแนะนําว่าหลีกเลี่ยงการครอบครองและใช้สินค้าที่มีส่วนผสมของวัสดุกำรรมันตะาราังสีวัสดุนิวเคลียร์หรือว่าวัสดุอันตรายดังกล่าวนี้นะคะเพราะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์หรือว่าไม่เกิดความคุ้มค่าแล้วเนี่ยอาจได้รับรังสีโดยไม่จําเป็นซึ่งมีประมาณสูงกว่าระดับรังสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไปหากประชาชนผู้ใช้สินค้ามีข้อ กังวลใจนะคะในประเด็นที่ไม่ทราบว่าจะนําการดังกล่าวเนี่ยไปกําจัดที่ใดนะคะก็สามารถที่จะประสานไปยังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทนค่ะเพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนทําการจัดการต่อไปนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่02 596 7600ต่อ1123 4นะคะ ขณะเดียวกันค่ะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะคุณศาสตราศรีปานสสสงขาเขตสองพักพลังประชารัฐนะคะก็มีการเข้าหารือกับพันตารวจตรีวรนันท์ศรีล้ําผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีดพิเศษและรองโฆษกดีเอพร้อมขอความเป็นธรรมเพื่อหามาตรการดําเนินการเรื่องบัตรพลังงานซึ่งอ้างว่าสัมผัสและจะหายจากโรคภัยนะคะและมีประชาชนในภาคอีสานถูกหลอกให้ซื้อจํานวนมากเลยค่ะคุณศาตราบอกว่าได้รับแจ้งนะคะว่า บริษัทที่จัดทําบัตรพลังงานเนี่ยตั้งอยู่ที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยบริษัทนะคะได้จดทะเบียนขายสบู่แต่แถมบัตรสมาร์ทการ์ดซึ่งอวดอ้างสมบุกสณต่างๆมากมายเลยค่ะบริษัทจะเปิดเป็นครั้งคราวเพื่อประชุมเท่านั้นนะคะล่าสุดค่ะทีมงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบก็ทราบว่าบริษัทนั้นยังคงเปิดทําการอยู่นะคะก็เลยทําให้สงสัยว่าบริษัทดังกล่าวจะประกอบอาชีพเป็นกิจการแชร์ลูกโซ่ด้วยหรือไม่นะคะก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งดีเอเองแล้วก็สํานัก ง, งานคุ้มครอง ผู้บรริโภคหรือว่าสคบช่วยลงไปพิสูจน์แล้วก็ดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดเพื่อไม่ให้ชาวบ้านโดนหลอกอีกค่ะทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่หาดใหญ่แล้วก็สงขรานั้นนะคะยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียหายค่ะแต่หากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายก็ขอให้ร้องเรียนกับอ่าทางด้านของคุณสัตราหรือว่า DSI ได้นะคะซึ่งคุณสัตราเองบอกว่าจะช่วยเหลือเบื้องต้นให้คนละ2000 20, มบาทก่อนค่ะ ทางนั้นของพันตำรวจตรีวรนันต์เองนะคะบอกว่าได้ทราบข้อมูลจากสื่อนะคะว่ามีการตรวจพบสารกัมมันตาราังสีในบัตรพลังงานแล้วแต่การดําเนินการอาญา น, นั้นต้องมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งดีเอยังไม่ได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษจึงเป็นหน้าที่ของตํารวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบค่ะในส่วนของอของการเข้าพื้นที่โดยเร็วด้วยนะคะเพื่อที่จะดําเนินการในสิ่งที่ทําได้ก่อนแล้วก็นํามาแจ้งความร้องทุกข์กับ นายแพทย์สมชายโชยติยวัฒเวลานะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นค่ะในการแจ้งความเอาผิดกับบริษัทแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายบัตรพลังงานที่มีมการอวดอ้างสมบัคุณนะคะว่าสามารถใช้รักษาสารพัดโรคเลยนะคะซึ่งคุณสมศักดิ์จังตระกุลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเองก็ยังมีการมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขค่ะเป็นตัวแทนในการร้องทุกกล่าวโทษในฐานะที่รัฐเป็นผู้เสียหายนะคะทางด้านของพนักงานสอบสวนนะคะก็มีการไปรับแจ้งความที่สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นด้วยตัวเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอย้นานะคะว่านี่คือการหลอกลวงนะคะอย่าหลงเชื่อใน การโฆษณาของสินค้านะคะเพราะว่าไม่ได้สามารถรักษาได้อย่างที่มีการอวดอ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะรายงานจากสกบยังบอกว่ามีการดําเนินการเรียกผู้ประกอบธุรกิจนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วค่ะและก็ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําของธุรกิจดังกล่าวนี้สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดํารงธรรมทุกจังหวัดนะคะหรือสอบถามได้ที่สายด่วน1น6 6ค่ะ ฝากมาเตือนไว้นะคะในช่วงแรกเกี่ยวกับเรื่องราวของบัตรพลังงานนะคะใครที่กําลังถูกเรื่องของการขายอยู่นะคะมีคนไปขายบัตรพลังงานให้นะคะก็อย่าไปลงเชื่อนะคะอย่าซื้อมาใช้เด็ดขาดเพราะว่ามีสารกัมมันตรังสีสูงกว่าที่ร่างกายควรได้รับถึง350เท่าเลยค่ะพักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมีการเตือนภัยนะคะกรณีสาวาพนัก ง, งานออฟฟิศท่านหนึ่งค่ะจะเดินทางไปทํางานแต่ปรากฏว่าเหยีย yeah บ ท่อตกท่อได้รับบาดเจ็บนะเรื่องราวนี้จะมารับฟังกันนะคะเราไปถึงการเตือนภัยจากเอ็กซิมแบงค่ะให้ประชาชนระวังมิจฉาชีพออนไลน์นะคะที่จะแฮกข้อมูลแล้วก็หลอกให้โอนเงินติดตามในช่วงหน้าเพื่อนเตือนภัยค่ะ เธอเจ็บปวดและต้องเคยเสียน้ำตาตัวฉันเองเจ็บกว่าเมื่อรู้ว่าเขาทำเธอร้องไห้ได้ยินเรื่องราวที่เธอทุกข์ใจเป็นคนใ้เธอนั้นระบายกับความจริงที่ควรทำใจให้คุ้นเคยคอยเฝ้าดูห่างห่างคงไม่อาจก้าวเลยไป ตอกย้ำไม่ต้องเข้าใจว่าตัวเธอนั้นรักเขามากมายทำได้แค่เพียงต้องเชี่ยมหัวใจไว้อยู่ในสถานะใดกับตัวฉันที่ดูจะเป็นไปไม่ได้เป็นแค่ที่ปรึกาฉันรับฟังเธอได้ทุกอย่างหรือแค่คำเดียว อยากฟังทำมารักจะบอกเธอนั้นเหมือนฉันเคยได้ยินมาบ้างแต่ก็เป็นคำที่เธอไม่เคยหมายถึงชฉันสักที ก็เป็นของเขาอยู่ดีต่อให้คนคนนี้ ชุดที่2ในรายการนะคะกับเพื่อนเตือนภัยค่ะเพื่อนเตือนภัยในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการเตือนภัยนะคะจากเอ็กซิมแบงนะคะหรือว่าธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยค่ะเตือนภัยให้ผู้นําเข้าส่งออกสินค้าไทยนั้นระวังนะคะถูกมิจฉาชีพเนี่ยที่เป็นมิจฉาชีพออนไลน์นะคะหลอกให้โอนเงินแล้วก็แฮกข้อมูลค่ะ คุณพิสิทธิ์เซรีวิวัฒนากรรมการผู้จัด ก, การธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Ex ็กซิมแบเปิดเผยว่าตอนนี้มีการขอเตือนภัยนะคะให้กับผู้ที่นําเข้าส่งออกสินค้าไทยระมัดระวังค่ะในการทําการค้าระหว่างประเทศหลังจากตอนนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพนะคะใช้เทคโนโลยีและก็เทคนิควิธีการซื้อขายออนไลน์ใหม่มาหลอกลวงให้ผู้ส่งออกนําเข้าไทยส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของมิจฉาชีพรวมถึงหลอกผู้นําเข้าไทยให้ชําระเงินค่าสินค้า ไปยังบัญชีของมิจฉาชีพแต่ไม่ได้รับสินค้านะคะจนทําให้เกิดความเสียหายจํานวนมากโดยนะคะการค้าร่วงประเทศผู้ประกอบการเองต้องรู้เท่าทันโลกค่ะค่ะท่านข่าวสารนะคะแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันการติดต่อระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้ซื้อในต่างประเทศจะกระทําการทางออนไลน์เป็นหลักนะคะซึ่งการพิสูจน์ตัวตนหรือว่าความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ยากค่ะบางรายเองก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาลวงข้อมูลทางธุรกิจเป็นแปลงข้อมูลที่สื่อสาร ระหว่างคู่ค้าหรือกระทั่งปลอมเป็นคู่ค้าเองก็มีนะคะเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็หลอกลวงให้เกิดการโอนเงินเข้าบัญชีของมิจฉาชีพทั้งในรูปแบบของแฮกเกอร์การให้นําบัตรปลอมนะคะซึ่งมีการปลอมแปลงข้อมูลทั้งนี้ค่ะก็มีการเตือนว่าขอให้ผู้นําเข้าส่งออกนะคะเร่งทําประกันการส่งออกค่ะเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศทําให้ผู้ส่งออกมีความมั่นใจนะคะที่จะ มีการาเลือกรูปแบบนในการทําประกันก็ได้เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงนะคะกรณีที่ว่าคุณจะไม่ได้รับการชําระเงินจากผู้ซื้อในประเทศนะคะทําให้ผู้ส่งออกก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการทําการค้าขายค่ะโดยในช่วง5เดือนที่ผ่านมานะคะของปีนี้มีลูกค้าที่มีการทําประกันการส่งออกนะคะยื่นขอรับค่าสินไม้ทดแทนไปแล้ว12รายด้วยกันมูลค่าที่สูญเสียไปนะคะแ7 5 0ล้านบาทค่ะ อย่างที่บอกนะคะก็คือการตรวจสอบนั้นเป็นไปได้ยากแต่ ว, วิธีการในการป้องกันอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทําประกันการส่งออกนั่นเองนะคะเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะสําหรับผู้นําเข้าส่งออกสินค้านะคะเราก็สามารถที่จะเรียกร้องน ะ, ะการสูญเสียนี้จากเงินประกันที่เราได้ทําไว้ได้ค่ะอีกเรื่องราวนึงในช่วงนี้นะคะมาเล่าเป็นอุทาหรณ์กันค่ะกรณีภัยของคนกรุงเทพเลยนะคะสาวออฟฟิศท่านหนึ่งค่ะ เกิดเหตุที่ปากสอยรัชดาษ28นะคะหลังจากเธอนั้นเยีย่บฝาท่อแล้วฝาท่อแตกร่วงลงไปจมน้ำเน่าลึก3เมตรนะคะพลเมืองดีช่วยกันนำขึ้นมาค่ะแล้วก็นำไปล้างตัวก่อนส่งที่โรงพยาบาลโชคดีมีแค่แผละทะลอกทั่วตัวมีรอยช้ำนะคะแต่ไม่มีส่วนใดหักกรุงเทพมหานครจ่ายค่าเยียวยาให้ 20,000 บาทค่ะ เฟซบุ๊กอาสาปอต็กตึงจุดสอนพอผลโยธินได้โพสต์เตือนภัยคนกรุงฝาท่อบนทางเท้าชำรุดปากซอยรัชดาพิเศษ28ตรงข้ามสารอาญารัชดาค่ะมีเหตุเกิดนะคะมีผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะตกท่อได้รับบาดเจ็บเป็นพนักงานออฟฟิศกำลังจะเดินทางไปทำงานกับเพื่อน 4-5 คนเดินมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะที่บริเวณทางเทา้าซอยรชดาพิเศษ28นาทางลงสถานีรถไฟฟ้า MRT ท่อ โบกฝาปิดด้วยปูนนะคะเกิดซุดตัวลงค่ะทําให้หญิงสาวท่านนี้นะคะตกลงไปในท่อลึกกว่า3เมตรมีพลเมืองดีรีบช่วยเหลือนําตัวขึ้นมานะคะแล้วก็พาไปล้างตัวนําส่งโรงพยาบาลเปาโลส่วนทรัพย์สินทราบว่ายังคงอยู่ในท่อระบายน้ําค่ะขณะที่เพื่อนผู้ประสบเหตุนะคะเล่าเหตุการณ์บอกว่าผู้ประสบเหตุเองเนี่ยเป็นเพื่อนพนักงานที่บริษัทเคอรี่นะคะซึ่งก็ได้เดินผ่านจุดที่เกิดเหตุเนี่ยสวันแล้ววันนี้มากับเพื่อนตอนเดินอยู่เนี่ยเพื่อนก็ตกลงไปในท่อฝาท่อแตกยุบไปในท่อ อีกด้วยน้ำท่วมมีสีสันะคะน้ำดำแล้วก็เหม็นมากจากนั้นก็มีคนขายข้าวกับวินจกักรยานยนต์มาช่วยดึงขึ้นค่ะยังดีนะคะที่ฝาท่อที่หักลงไปค้างอยู่ก็เลยทำให้สามารถเหยียบขึ้นมาได้นะคะส่วนสัพภาระที่ถือมานั้นตกลงไปในท่อทั้งหมดมีเจ้าหน้าที่ช่วยงมขึ้นมาได้บางส่วนค่ะตอนนี้ผู้บาดเจ็บมีการเอ็กซเรย์แล้วนะคะมีอาการบาดเจ็บที่ขา แขนมือไหลซึ่งคลูดลงไปกับขอบปูดนะคะร่างกายมีแผลบวมช้ำนะคะทางนี้เนี่ยแม่คะเแถานั้นบอกว่าเป็นแบบนี้มานานแล้วเนี่ยเคยแจ้งเขตทราบแล้วแต่ก็ไม่มีการซ่อมสักทีค่ะ มาฟังคําสัมภาษณ์นะคะทางฝั่งของหัวหน้าฝ่ายเทศกิจนะคะสํานัก ง, งานเขตห้วยขวางค่ะคุณธํามรงศักตะโกวิทบอกว่าเบื้องต้นมีการตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็ประสานงานกับสำนังกงาน ร, ระบายน้ําแล้วเป็นฝาปูนวางอยู่บนทางเท้าค่ะแก้ไขด้วยการเอาแผ่นเหล็กไปวางปิดเอาไว้ซึ่งจุดนี้นะคะเป็นฝาที่ท่อชํารุดอยู่แล้วนะคะละักษณะเป็นปูนกระเทาะตรวจสอบพบแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ซ่อมก็เลยมีการอตอนนี้ก็มีการนํากลวยยางวางไว้ชั่วคราวแต่น่าจะมีเรื่องของการแบบว่าเร่ง ซ่อมแล้วนะคะท่านนันของคุณอนุสรพุ่มพวงค่ะ อขออภัยค่ะพุ่มพ่วงนะคะหัวหน้าฝ่ายโยธาสํานัก ง, งานเขตห้วยขวางบอกว่าอตอนนี้นะคะก็มีการตรวจสอบฝาปูนที่ชํารุดบริเวณดังกล่าวอย่างที่บอกนะคะก็มีการนํากรวดไปวางไว้ชั่วคราวนะคะแล้วก็แจ้งสำนังกงาน ร, ระบายน้ำซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งมาดําเนินการค่ะแต่ว่ากลับมาเกิดเหตุขึ้นกับหญิงสาวรายนี้ก่อนนะคะขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณซอยรัชดาพิเศษ28นี้ก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสานัก ง, งานเขตห้วยขวางด้วยดังนั้นนะคะเขตก็มีการดําเนินการเบื้องต้นด้วย การนำฝาปูนมาปิดพร้อมกับเทแอดฟาวทั Ad นะคะแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุส0 0 0มบาทแยกก็ตามแล้วนะคะกรุงเทพมหานครเองมีท่อหลายชนิดนะคะทางแบบเหล็กแล้วก็เป็นฝาปูนซึ่งหาประถนนสายหลักนะคะสํานักงานโยธาหรือว่าสํานักงาน ร, ระบายน้าเองจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลค่ะแต่หากเกิดเหตุในพื้นที่เขตไม่สามารถปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือได้อยู่แล้วซึ่งถ้าหากประชาชนเองนะคะพบเห็น เกิดประเหตุเกิดขึ้นหรือพบเห็นท่อที่ยังไม่ได้รับการซ่อมสักทีนะคะก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะที่สายด่วนห5 5 5หหค่ะ ทิ้งท้ายกันนะคะกับเรื่องราวในช่วงนี้นะคะของกรมการแพทย์ค่ะเตือนภัยนักท่องเที่ยวนะคะที่ไปเที่ยวกลางคืนที่นิยมมีการเสพยาอีกันค่ะอาจทำลายระบบภูมิคุ้มกันนะคะทำร่างกายให้ติดเชื้อทำลายเซลล์สมองอาจช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะนายแพทย์ภาสกรชัยวณิสิริรองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยถึงยาอียาเลิบเอ็กซ์าซี เอ็กตาซนะคะเป็นยาเสพติดในกลุ่มเดียวกันค่ะมีทั้งที่เป็นแคปซูลแล้วก็เป็นเม็ดยาสีต่างๆแพร่ระบาดมากในกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมเที่ยวกลางคืนเมื่อเสพยาเข้าแล้วนะคะร่างกายก็จะออกฤทธิ์ภายใน45นาทีฤทธิ์ของยาจะอยู่ในร่างกายนานประมาณ 6-8 ชั่วโมงซึ่งจะเข้าไปทําลายระบบประสาทนะคะทําให้เซลล์สมองในส่วนที่ทําหน้าที่หลั่งสารจิโรโทนินซึ่งเป็นสารสําคัญในการควบคุมอารมณ์ทํางานผิดปกติช่วงแรกก็จะทําให้รู้สึกสดชื่นอารมณ์ดีต่อมา จะรู้สึกร้อนเหงื่อออกหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงการได้ยินเสียงและการมองเห็นแสงสีต่างๆผิดไปจากความเป็นจริง เคลืบเคลิม้มไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้และเริ่มเข้าสู่สภาวะอารมณ์เศร้าหมองหดหูและสึมเศร้าค่ะซึ่งหากใครที่กําลังประสบปัญหานี้นะคะในเรื่องของยาและก็สารเสพติดนะคะสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด1 165หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ w w w ร์ด i d ็บดอทพนะคะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถเข้ารับการบําบัดรักษายาเสพติดได้ที่สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ ติดแห่งชาติบรมราชชนนีกรมการแพทย์จังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลทันยรักษ์ในโซนภูิภาคทั้ง6แห่งค่ะทั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกก็คือเตือนนะคะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวอย่างเดียวอย่าที่จะไปลิลองนะคะในการเสพยาอีหรือว่ายาเลิบเอ็กสตาซีเด็ดขาดค่ะพากกันสักครู่นึงก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าเพื่อนเตือนภายเรามีเรื่องราวนะคะในการ โพส์นะหนุ่มท่านนึงค่ะปรากฏว่าไปซื้อปลาหมึกมาทานแต่ในปลาหมึกที่เราทานนั้นนะคะมีปลาหมึกชนิดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นปลาหมึกที่มีพิษถึงแม้ทำอาหารก็ยังมีพิษอยู่ติดตามในช่วงหน้าเพื่อนตันภัยค่ะมองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คาปรึกษาด้านสมนุนไพรด้วยมืออาชีพราคา ย, ย่อมเยาวปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีด้วยคุณภาพกับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม วิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีศูนย์รงังสิปากทางเข้าเมืองเอกติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร 02-592-1999 ศูนย์นวัตกรรมความรู้ RMU TT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเปิดสซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 ในช่วงนี้นะคะเพื่อนเตือนภัยก็มีเรื่องราวนะคะเริ่มต้นกันที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาค่ะตอนนี้เนี่ยมีการประกาศแจ้งเตือนนะคะกรณีนี้แม่ค้ายาฤทธิ์เปิดท้ายขายขนมไทยที่สะพานปลาอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีค่ะคิดราคาขนมไทยสูงเกินกว่าเหตุนะคะพบว่าก่อเหตุมานานและมีผู้เสียหายหลายรายแล้วค่ะแฟนเพจเฟซบ o ๊กตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาได้ประกาศแจ้งเตือนหลังพบร้านขนมไทยที่เปิดท้ายอยู่หลังรถเก๋งยี่ ฮอโตโยต้ารุ่นยาริสทะเบียนชนบุรีจอดอยู่บริเวณลานจอดรถสะพานปลาอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีนะคะโดยมีขนมไทยจํานวนมากเลยค่ะก็มีขนมชั้นเม็ดขนุนอยู่ในถาดยังไม่ได้ใส่กล่องแพค็คไม่มีการติดป้ายแสดงราคาแต่อย่างใดนะคะโดยขายขนมหวานซึ่งเป็นขนมไทยราคาสูงมากและก่อเหตุหลายครั้งแล้วมีผู้เสียหายหลายรายค่ะโดยเนื้อหาของการโพสต์ในแฟนเพจตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลานะคะก็มีการระ บ, บุว่าจากสํงงานักงานตลาดประมงพื้น บ้านอ่างศิลาตอนนี้มีร้านขายขนมหวานมาขายบริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดลานจอดรถและขายในราคาแพงมากข้อมูลจากผู้ร้องเรียนซึ่งทางตลาดไม่สามารถเข้าปัะจ า, กการโดยตรงได้เนื่องจากฝั่งตรงข้ามตลาดเป็นพื้นที่สาธารณะและผู้ค้าดังกล่าวไม่ใช่แม่ค้าในตลาดดังนั้นเมื่อคุณลูกค้าทุกท่านที่จะซื้อสินค้าที่มาขายบริเวณตรงข้ามตลาดแอดมินแนะนําให้สอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้งเพราะทางตลาดไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ขอขอบคุณที่ไว้วงางใจ เราเสมอมาทางนี้ในเรื่องดังกล่าวทางตลาดจะรีบดำเนินการหาทางแก้ไขต่อไปบุคคลดังกล่าวได้ขายขนมราคานี้มานานมากแล้วซึ่งแอดมินไม่แน่ใจว่ามีหน่วยงานรัฐเข้ามาดำเนินการหรือไม่ซึ่งได้ไปดูข่าวเก่ า, าและพบว่าก็ยังเป็นรถคันเดิมค่ะฉะนั้นใครที่จะมีการเดินทางไปที่นี่นะคะไปแถวสะพานปลานะคะแถวอ่างศิลาก็ระวังไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเจอขนมไทยขายอยู่หลังรถ ยาฤิ์นะทะเบียนชนบุรีอาจจะเป็นนี่ล่ะค่ะคิดราคาแพงเกินจริงค่ะทิ้งท้ายกันในวันนี้นะคะกับเรื่องราวของชายหนุ่มท่านหนึ่งนะคะได้โพส ถามโซเชียลว่านี่ใช่หมึกบูริงหรือไม่หลังจากที่เขานะคะซื้อปลาหมึกมาจากตลาดนัดค่ะเผยว่ามีการขายปลาปนกับปลาหมึกสายซึ่งเพจดังเองก็ช่วยแชร์เตือนภัยนะคะให้ระวังทั้งผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้บริโภคกินไปมีพิษร้ายถึงแก่ชีวิตค่ะข้อความจากเฟ e บุ o กนะคะนัชวัด ยิ้มดวงนะคะได้โพสผ้าประหมึกซึ่งซื้อมาจากตลาดนัดค่ะแชร์กันไปนะคะ 3, 000, 4, 000ครั้งแล้วค่ะซึ่งก็ระบุว่าตัวนี้กินได้เปล่าแอบนึกถึงหมึกสายบรูริงเพิ่งไปซื้อมาจากตลาดนัดใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับขณะที่แฟนเพจชื่อดังนะคะ Drama Addict อาสาเป็นกระบอกเสียงนะคะในการออกมาเตือนภัยผู้บริโภคอีกแรงหนึ่งค่ะโดยมีการระบุในแฟนเพจบอกว่าเจ้าของโพสต์รอดบุตรวิตใครไปซื้อประหมึกตามตลาดแล้วเจอหมึกหน้าตาแบบนี้ปนมาอย่ากินนะ ทั้งนี้นะคะมีคําแนะนําจากานายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะเกี่ยวกับหมึกบูริงหรือว่าหมึกสายวงน้ําเงินค่ะทางการแพทย์นะคะเรียกกันว่า TTX นะคะหรือว่าเทโตรโดทซินค่ะพิษชนิดเดียวกับที่พบในปลาปักเป้าเลยค่ะซึ่งแม้จะถูกนําไปปรุงจนสุกแต่พิษก็ไม่สลายไปนะคะถ้าหากรับประทานเข้าไปก็จะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยจะเข้าไปขัดขวางการสั่งงานของสมองค่ะคนที่ถูกพิษนะคะจะมีอาการคล้ายเป็น อัมพาตหายใจไม่ออกเนื่องจากกล้ามเนื้อกะบังลมและหน้าอกไม่ทํางานทําให้ไม่สามารถนําอากาศเข้าสู่ปอดได้และเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตในที่สุดโดยถ้าหากว่ามีคนที่ หลงทานเข้าไปนะคะหมึกบูริงเนี่ยนะคะปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะโดยการนำอากาศเข้าสู่ปอดนะคะเช่นการเป่าปากก่อนจากนั้นต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนค่ะโดยใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไปนะคะซึ่งหากประชาชนมีข้อสงสัยอยากทราบหน้าตาหรือข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลาหมึกบูริงนะคะสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1, นึ2ค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะที่นํามาเตือนภัยให้กับคุณผู้ฟังนะคะในรายการเพื่อนเตือนภัยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในเช้าวันพระรหั ส, สบดีหน้ามาเจอกันแน่นอนนะคะทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะรวมไปถึงแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะวิทยุราชมงคลธัญบุรีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกรณ์นังและทีมงานต้องขอลากันไปก่อนค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังเจอกันครั้งหน้านะคะจะเตรียมเรื่อง